พัทธจักรมีเจตนาอย่างเดียวเป็นบุญหมวดที่หนึ่งสองภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื่อเป็นยาน้ำอาศิขีเคลื่อนต้องอบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื่อเป็นทานเพื่อความสุขและเพื่อเป็นบุญเพื่อความสุขและเพื่อบูชายัญเพื่อความสุขและเพื่อจะไปสวรรค์เ <linear S 2> พื่อความสุขและเพื่อสืบพันุ์ เพื่อความสุขและเพื่อทดลองภิกษุ ¿no? จงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื MIN ่อความสนุกน้ําอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื่อความหายโรคน้ําอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศต